ว่าสติเราดีขึ้นไหมเรามีความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะเวลาเราอยู่นิ่งๆ น, นะไอ้ความง่วงเหงาหานอนหรือว่าทินมิตะนี่มันครอบงำลงง่ายไหมมันก็ดูได้นะจากเวลาทําวัดสวดมน่นะช่วงทีนะ่นั่งฟังคำบรรยายนะพอ เราอยู่นิ่งๆเนี่ยใจเราเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอให้ทำโ น, น่นทำนี่นะใช้ชิตตามปกติจิตก็ฟุ้งซ่านแต่เวลาพออยู่นิ่งๆใจมันก็สวิงไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าค่อยๆง่วงเหงาหาวนอนนะมันสวิงกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละสิ่งที่เราควรจะ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 มันต้องรู้จักนะแก้อารมณ์ของเราไนอะการทาความรู้สึกตัวใ ห, ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะมันมันเป็นมากกว่าการตื่นนะเพราะคนที่ตื่นเนี่ยนะเชิญตื่นเช้ามาแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้การตื่นหรือช่วงเวลาที่ตื่นเนี่ยก็อาจจะทำอะไรไปด้วยความหลงเหมือนกับคนลมเอ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 มีเจข้อสำคัญมากเลยส่วนใหญ่มักจะสวดพุทชงเวลาคนใกล้าตายมีธรรมเนียมนะใครใกล้าตายก็สวดพวดชงเพราะว่าในสายพุทธกาลเนี่ยผู้เจ้าเองหรือพระสาวกเช่นพระโมคคัลลานนะหรือพระมหากัสปะแล้วก็หายป่วยได้ก็เพราะาได้ฟังบทสวดพชทชงแต่ที่จริงเนี่ยพุทชงเนี่ยนะมัน มีความหมายหรือมีคุณค่ายิ่งกว่า น, นั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะชโชคพ่อชงเจตเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็ น, ปนธรรมะที่ช่วยทำให้ใจสงบได้ไวก็คือปัสสธิแล้วก็สมาธิอุเบกขาเป็นตัวที่ทำให้ชะลอนะทำให้สงบปัสสธิแปลว่าความผ่อนคลายกายและใจรวมทั้งความสงบเย็นด้วยสมาธิคือการที่จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์หนึ่ง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 หรือถ้าเรียงก็คือปิติวิรยิยะแล้วก็ธรรมวิจยะปิติความอิ่มใจนะวิริยะก็รู้อยู่แล้วความภาคเพียรความขยันส่วนธรรมวิจยะคือการพิจารณา ร, รมเวลาคนผู้เจ้าตัว่าเวลาคนที่จิตเนี่ยเสื่องซึมนะเสื่องซึมหดถูเนี่ยอย่าไม่ใช้อย่าใช้รม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 เลยเพราะถ้าหากว่าปฏิบัติไม่เป็นนะอันนี้คนที่ซึมเศร้าเนี่ยถ้าถ้าไปแสวงหาความสงบเนี่ยมันจะสลบได้ง่ายนะเพราะว่าใช้ธรรมะผิดข้อวิจาแต่ว่าเวลาที่จิตมันซึมเศร้าหดหวดนะัวต้องใช้อีกหมวดหนึ่งนะอีกกลุ่มก็คือปิติวิริยะแล้วก็ธรรมวิทยะนะอันนี้จะทำให้จะทาให้ใจนีมันตื่นเลยในทางตรงข้ามคนที่ฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยนะ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 จเจริญสติแล้วเครียดเพราะว่าวางจิตไม่เป็นลองหายใจเข้าลึกหายใจยาวๆนะสักห้าครั้งสิบครั้งก็จะดีขึ้นนะหรือว่ายิ้มนะยิม้มแม้ว่าข้างในใจเราจะบูดบึ้งนะหรือคุณมัวแต่ว่าการที่ฉีกยิ้มบนใบหน้าเนี่ยมันก็มีผลต่อใจนะอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่ามันมันมันมีผลแม้แต่เวลาเจ็บปวดเวลากลัวนะ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 แกก็เราจะมีความวิตกกังวลสูงมากอย่างดีนักที่รู้ตัวนะว่ า, าวิตกกังวลอาจารย์พร้มก็ไม่ได้ถามนะวิตกกังวลเรื่องอะไรแต่ถามว่าไอาตอนีวิตกกังวลเนี่ยคุณรู้สึกตรงไหนของร่างกายเพื่อยังงงเลยนะหมายความว่ายังไงอาจารย์พรมอมอธิบายว่าคนเราเวลามันมีอารมณ์อารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกาย